พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนีน้ให้พากันตั้งใจปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธ์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 แต่หมอแพทย์แผนปัจจุบันนับไม่ถึงคือเขาไม่ได้นับกระดูกอักกระดูกก่อนเขานับแต่กระดูกแข็งเวลาฟังอักิีกังกระดูกสามอยท่อนนี่ไม่ให้จิตคิดไปที่อื่นรวมจิตเข้ามาอยู่ในกองกระดูก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 กระดูกนี้ก็ให้จิตดูว่าคลงกระดูกหรือกระบกตาเนี่แหละให้จิตเห็นในจิตว่ามันเป็นยังไงก็ให้ดูถ้ามันเห็นแจ้งในจิตใ จ, ใจของตัวเองอย่าไปคิดว่าเป็นของสวยของงาม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 สมัยเมื่อคนเรายังไม่ตายน้ำมมกเวลาเป็นวัดมันก็ไหลออกนี้เป็นของปฏิกูลโสโครบถ้าเห็นเป็นกระดูกแล้วไม่มีเนื้อหนังหุ้มความสวยความงามที่เราว่าจะโมกงาม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 ก็เป็นของขี้ไล่ขี้เล่นี่แหละกระดูกดั้งจมูกต่ำลงมากว่านั่นหน่อยก็เป็นกระดูกคางข้างบนกระดูก้างข้างบนนี่ก็ให้เห็นเป็นกระดูกทีเดียวแล้วก็ให้เห็นฟันเห็นเขี่ยวเป็นซี่ๆจับอยู่ทั้งสองข้าง ทั้งหมดนะให้เป็นให้เห็นเป็นกระดูกฟันกระดูกเขี้ยวกระดูกคางข้างบนถ้าดูลูปล่างกระดูกคางนี่ก็ไม่สวยไม่งามอีกที่เราไปเห็นวานอนเห็นลิงว่าขี้ลายขี้เหลหยังดีกว่ากระดูกคางข้างบนของเราอีก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 ้างข้างล่างเนี่มันโค้งขึ้นไปเกอกกันอยู่ทางบนสมัยเมื่อมนุษย์ยังไม่ตายแต่เดี๋ยวนี้มันตายไปแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกมนุษย์ไม่ว่าจะบริโภคอาหารบริโภคผลไม่กินอะไรก็ตามกระดูคางข้างบนข้างล่างนี่เหมือนกับครกเหมือนกับสาด คกศาดตำน้าพริกก็วันนะแต่คกสาดตำน้าพริกนั่นมนุษย์มันตำข้างบนลงมาคกสาดธรรมชาติคางข้างบนข้างล่างนี่ใช้คางข้างล่างตำขึ้นไปเพื่อให้อาหารแหลกมุ่นแหลกละเอียด เมื่อกลืนลงไปสมัยยังไม่ตายเหลือแต่กระดูกนี่มันจะได้ละลายไปเลี้ยงเนื้อหนังมังสังในตัวนั้นถ้าเรากำหนดมาที่นี่ก็จะเห็นอีกว่า้างข้างบนข้างล่างพร้อมด้วยฝันไม่งามเลยเหมือนกับผีหลอกนั่นแหละ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 นี่คือว่ากระดูกคางเมื่อเห็นแจ้งในกระดูกคางข้างบนก็ขี้ล่ขี้เละข้างล่างก็ขี้ไล่ขี้เละเช่นนี้แล้วเจ็ดอยามายึดถือกระดูกจะ น, นี่กระโหลกศีรษะมันกระโหลกศีรษะนี้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 ดูให้เห็นส่วนในมันสมองก็ไม่ให้มันเป็นมันสมองล่ะมันเป็นว่างดูข้างในก็เห็นเป็นกระดูกให้จิตใจนั่นรู้ว่านี่แหละกระโหลกศีสันกระโบกตาดั้งจมูก ข้างข้างบนข้างล่างพร้อมด้วยฟันด้วยเขี้ยวด้วยฟันที่จิตเราเห็นว่าฟันสวยฟันงามคนสวยคนงามไม่มีถ้ายังเหลือแต่โครงกระดูกพี่าจรณาเห็นอย่างนี้เสมอกันหมดไม่มีคนใดสวยงามวิเศษวิโสกว่ากัน ยังเหลือแต่โครงกระดูกไม่มีที่นกตรงไหนที่จะมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นของสวยของงามอัทีิกลังกระดูกสามร้อยท่อนทางนั้นเมื่อแจมแจ้งชัดเจนในกระโหลกศีรษะแล้วก็เลื่อนลงไป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 กระดูกนี่มันเลื่อนได้เมื่อสมัยคนเรายังไม่ตายมีเนื้อมีหนังอยู่โน่นจะดูอะไรอะไรมันเลื่อนเอาทีนี่นะเลื่อนที่กระดูกคอหน้าตามันก็เลื่อนไปตามกระดูกคอนั้นมีหลายชิ้น ที่นี่กระดูกคอก็ต่อต่อกระดูกสันหลังกระดูกคอต่อกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังนั้นเป็นท่อนๆดูให้เห็นมันมีอยู่ในตัวในกระดูกนะั้นสันหลังทุกคนแล้วก็มีกระดูกเง่าแขนทั้งสองข้างต่อเข้าไป อเข้าไปถึงกระดูกหลังเมกระดูกไหปลาล่าก็ว่าหรือกระดูกมีดที่เรามองเห็นคนทั้งหน้ามันเป็นเหมือนเหมือนดัามมีดเหมือนมีดเหมือนดัามมีดเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมีดกระดูกไหาปลาล่าถ้าเอาคอออกะ มันเหมือนนะตั้งไว้แล้วก็เหมือนแบบเหมือนหายปลาล่ดูให้เห็นนะว่ากระดูกคอมันตั้งอยู่ต่ออยู่กับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังและกระดูกเน่าแขนทั้งสองข้างก็ต่อออกมาจากนั้นแล้วในกระดูกแขนนี่แหละมันมีกระดูกอันหนึ่งเขาให้ชื่อว่ากระดูกเกลง บางบางมันพาให้แขนคนเราสมัยที่ยังไม่ตายมันเลื่อนได้ท่อนบนหรือเขาว่าเกลืองเขากว่ามันเป็นเกิืองเป็นบางบางแขนท่อนล่างต่อขึ้นมากระดูกกระดูกแขนท่อนล่างต่อขึ้นมาทั้งสองก้าง กระดูกแขนท่อนบนกระดูกแขนท่อนล่างเป็นสองดุกทั้งสองข้างที่มันสร้างมาเป็นสองดุกก็เพื่อให้ทนทานให้ได้นานเท่าที่จะนานได้มาให้มันหักช่วยกันเวลามนุษย์ยังไม่แตกไม่ตายนั่นมันทำการงานอะไรก็อาศัยกระดูกแขนท่อนล่างให้มันแข็งแรงหน่อยธรรมชาติมันสร้างมา เวลาเราภาวนาบอกเพ่งให้มันเหน็นกระดูกมันมาต่อกันที่สอบข้อศอกที่มันทบชวนล่างตามลงไปกับไปต่อกับกระดูกกระดูกมือกระดูกมือเนี่ยก็เป็นท่อนๆต่อไปจนสุดก็เลยเป็นนิ้วเป็นนิ้วนิ้ว นิ้วโปนิ้วกลางนิ้วโปนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางนิว้วนิ้วก้อยทั้งสองข้างกระดูกทั้งนั้นแหละลเรานี่เมื่อเพ่งดูในกระดูกนี่แล้วมันไม่มีที่ไหนที่เรียกว่าสวยงามขี้รากีเลที่สุดเมื่อดูสุดปลายมือปลายเท่าแล้วเป็นกระดูกทั้งนั้น เพราะมันตายนานๆแล้วจนหายเหม็นแล้วแต่นน่ก็มาดูกระดูกหน้าอกกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังเป็นท่อนๆเรากระดูกข้างกระดูกข้างนี่เป็นกระดูกป้องกันภัยอันตรายคือในสมัยเมื่อ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 ถายังไม่ถึงข่าวตายก็อย่าให้มันตายง่ายๆเวลาพัะตกโคกล้มอะไรต่อมีอะไรถึงประนนั่นก็หลังหักกระดูกข้างหักกันอยู่เรื่อยๆเวลานี้เราดูให้รู้ว่าตำแหน่งกระดูกขาดตำแหน่งกระดูกสันหลังมันอยู่ตรงใดมีรูปร่างสีสันฐานอย่างไรก็ให้ดูตามความเป็นจริงนั่น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 ถ้าดูตลอดมาตั้งแต่กระบอกตากระโหลกศีสันแล้วคนขี้กลัวผีแล้วก็นอนไม่หลับเลเพราะว่าผีกระดูกผีกระดูกของเราเองมันหลอกอยู่ไม่ได้หยุดดูให้มันเห็นเพ่งดูถ้าจิตแน่วแล้วมันก็ปรากฏ เหมือนปลากฏอย่างไรก็ดูไปอย่างนั้นนี่อัฐิกังกระดูกสามรอยท่อนให้ภาวนาอัฐิกังกระดูกสามร้อยท่อนกระดูกบั้นเอวก็เป็นท่อนทอนกระดูกบั้นเอวมันไปต่อกระดูกตะโคกระดูกก้นกบกระดูกเก่งเกงเขากระว่า เมื่อกระดูกบั้นเอวต่อตรงกลางแล้วก็มีกระดูกเง่าขาทั้งสองข้างมาต่อจากนี้อีกที่หนึ่งกระดูกขาท่อนบนมันเป็นกลมๆสาหรับมาสวมไว้ในที่มันเป็นม่องเป็นรูสมัยยังไม่ตายมันต่อกันตรงนี้ทั้งสองข้าง แล้วว่ากระดูกเง้าขาท่อนบนต่อ น, นี่ท่อนล่างก็ต่อเข่าในเข่านี้ก็มีกระดูกแข้งขึ้นมามาต่อกันให้เจียว่ากระดูกเข่ามันทบได้แล้วยังมีกระดูกสบ้าคือมันเป็นกระดูกกลมๆแบนๆหน่อยสําหรับ เมื่อสมัยมนุษย์ยังไม่แตกไม่ตายนั่นกระดูกนีนมันช่วยช่วยไม่ให้กระดูกขากับกระดูกเข่านะีมันหลุดออกจากกันมันช่วยประครับประคองดูให้มันเห็นนะทีนี้กระดูกแข้งก็มาต่อกระดูก ส้นข้างล่างกะดูแข้งนี้ทั้งสองข้างก็มีสองดูเหมือนกันดูใหญ่เป็นสามเหลี่ยมส้นบนก็มาต่อกระดูกขาท่อนและส้นล่างกะดูแข้งมาต่อกงนี่เราก็ต่อลงไปทั้งสองข้าง ดูให้เห็นทั้งสองข้างสดก็เป็นกระดูกดูกแข้งไปสุดกระดูกแข่งนี่ไปตั้งกระดูกกระดูกเท่ากระดูกตีนเท่ารั่กระดูกแข้งมันไปเท่าหลังมันทั้งกระดูกกระดูกเท่า เป็นข้อข้อเป็นท่อนทอนต่อลงไปก็เป็นกระดูกนิ้วเท่านิ้โปนิ้วใหญ่นิ้วชี้นิ้กลางนิ้วนางนิ้ก้อยเหมือนกันมองให้เห็นอะบ้เนี่ยมองให้เห็นในจิตเป็นโครงกระดูกนั่งภาวนาฟังธรรม อัธิกังกระดูกสามร้อยท่อนเมื่อเราพิจาจรณาจริงๆนั้นไม่เหมือนอธิบายนี้ให้มันเห็นแจ้งชัดดีเท่าไรก็เท่าเหมาะดีดูลงไปจนถึงสุดปลายมือปลายเท่าดูจากปลายเท้าขึ้นมาตลอดจนกระโหลกศีรษะจนเห็นเป็นโครง โครงกระดูกสามรอยท่อนแต่ไม่ต้องไปเห็นแบบโรงพยาบาลหรือแบบเขาแขวนไว้สารลาวัดอันนั้นมันมันอยู่นอกไม่เอาให้เห็นมีอยู่ในร่างกายตัวตนของเราทุกคนคำว่าอัตติกังกระดูกสามร้อยท่อน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 มันเยินขึ้นกระดูกเมื่อเยินขึ้นมันเป็นรูปล่างอย่างไรดูเมื่อมันเดินไปเถอนะกระดูกก็ไม่ให้หลุดกําหนดว่าไม่ต้องหลุดเดินให้ดกูกระดูกทุกอย่างมันจะเคลื่อนไหวไปมาให้ปรากฏแกดวงจิตดวงใจผู้กาหนดพิจารณานั้นทีเดียว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 เมื่อกำหนดกระดูกของเราฮะมันแจ่มแจ้งชัดเจนกระดูกบุคคลผู้อื่นมันก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ชลาเหมือนเหมือนกันอัติกังกระดูกสามร่อยทอนไม่มีใครสวยงามกว่ากันเท่าๆกันหมดอัติกังกระดูกสามร้อยทอน เ่งจนกระสั่งเห็นคนจะเป็นชาติใดพาแ ส, สาใดก็าตามหลังบังค่ามันก็ยังเหลือแต่ ด, ดั้งจะหมกจะหมกแหลมไม่มีตาสีนำเงินตาขาวตาฝ้าไม่มีเหมือนกันหมดกระดูกโครงกระดูก กำหนดให้จิตใจดวงผู้รูดดูคลองกระดูกของตนและของบุคคลผู้อื่นมาให้มันเห็นว่าเป็นของสวยของงาม้าแท้มันไม่สวยไม่งามจิตหลงไปคิดนึกเอาเองในทางที่ผิดจึงมาเกิดราคะตัณหาฟุ้งซ่านลำขาด บวชในศาสนายังไม่ถึงร้อยปีก็อยากศึกษาลาภเกตก็เพราะไม่กาหนดอธิกัรกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองถ้ากาหนดอธิกัรกระดูกสามร้อยท่อนของตัวเองแจ่มแจ้ ง, จงชัดเจนจิตจะไม่วุ่นวายนั่งก็เห็นกระดูกสามรอยท่อน เจ้ากระโดกสามรอยท่อนจะไปหลุดที่ไหนนเนานเดินไปก็เห็นมันเดินไปนั่งอยู่ก็เห็นกระดูกนั่งอยู่โครองกระดูกม่ใช่แต่เพียงคิดๆหนึ่งนึกทำนันมันเห็นภาพในนั้นด้วยเพราะมันมีภาพกระดูกมันเป็นของแข็งมันเป็นภาพอยู่เป็นโครงท่นจึงว่าโครองกระดูก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 พระพุทธเจา้าท่านรักษากระดูกสามร้อยท่อนท่านได้ถึงแปดิปีไม่มีอะไรหักดีหมดคนเราบางคนยังไม่ถึงแปดชิปนะีหักโน่นหักนี่แล้วนอกจากหักเราก็ตายอีกเพราะไม่กำหนดอธิกังกระดูกสามร้อยท่อน สติสมาธิปัญญาจึงไม่เกิดจึงรักษาอัธิกังกระดกกกสามร้อยท่อนของตนตลอดรอดฝังไม่นานจงกำหนดพิจารณาอย่ามานั่งเฝ้าอัธิกังกระดูกสามร้อยท่อนของตัวเองอยู่ไม่กำหนดพิจารณามาหวงกระดูก หัวงกระดูกเหมือนสุนัขเมื่อมันได้กระดูกตัดละมันมามากตัดกัดกินกระดูกกระดูกแห้งกระดูกไม่มีเนื้อคนเราทุกคนเมื่อกำหนดถึงขั้นกระดูกอัดที่กลางกระดูกสามร้อยท่อนมันมาหลงกระดูกสามร้อยท่อนแท้ๆมันดีกองไหนพิจารณาดู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 ตามลู่ตามเห็นอัติกรรมกระดูกสามร้อยท่อนของตัวเองอยู่และไม่ปล่อยให้ความวิตปลาดขาดเคลื่อนมาทับโถมใจไปเห็นว่าเป็นของมัน่นคงถาวรเป็นของสวยของงามมันไม่ถูกที่ถูกมันต้องเห็นอัติกรรมกระดูกสามร้อยท่อนต่อกันไว้ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่มัน ตายแล้วเนื้อหนังมังสันหลุดลอยไปหมดแล้วกระดูกมันมีอยู่เท่าเก่าของใครก็ตามพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั้งหมวลกาหนดอธิกั ร, รกระดูกสามล่อยทอนให้มันเห็นแจ้งในจิตใจ ใจมันจะเ ด, ดลักีเลตลาคะตัณหาภายในให้หมดสิ้นไปจะเดลักีเลโทสะในจิตในใจให้หมดไปสิ้นไปจะเดลัโมหะอวิชชาตัณหาในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปเพราะที่จิตมาหลงอยู่ในรูปปัจขันธ์อันนี้ในครองกระดูกอันนี้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 ไม่เห็นอยาส่งใจไปที่อื่นมันเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรตามรู้รู้ใดก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นธรรมะคําสอนพระพุทธเทจ้าเมื่อเห็นแจ้งทัดว่าร่างกายกองกระดูกนี่มันเป็นจริงอย่างนี้นั่นแหละก็เหมือนกับว่าพระธรรมท่านสอน พระพุทธท่านสอนพระธรรมสอนพระอริยสงฆ์เจ้าสอนสอนให้จิตใจตัวเรารู้ไม่ใช่ให้กระดูกมันรู้ให้จิตใจหลงเนี่ยไม่ให้มันหลงกระดูก น, นั้นผู้ปฏิบัติทางหลายยาัวประมาทอธิกังกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองดูไม่ได้ไม่เห็นไม่ยอม โลกขึ้นภาวานาดูอัติกรรมกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองให้แจ่มแจง้งแล้วก็จะเห็นของคนอื่นผู้อื่นทั่วๆไปเต็มโลกก็เหมือนกันหมดนี่แหละอัติกรรมกระดูกสามรอยท่อนทุกคนจงภาการกำหนดพิจารณาให้แจ่มแจง้งชัดเจนภายในจิตใจของตนให้ได้จนจิตใจไม่หลงไม่ลืม ใครจะหัวเลาะล่องให้ใครจะดีใจเสียใจมันก็แค่กระดูกสามรอยท่อนนั้นะตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เห็นแจ้งภายในจิตใจเมื่อเห็นแจ้งเต็มที่มันจะถอนในตั ว, ล, วละกิเลสความโกรธมันจะหมดไป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 แล้วว่าอินทรีสังวรรักษาตารักษาหูรักษาจมูกลิ้นกายทุกอย่างได้เพราะกำหนดอัธิกังกัดูกสามอยท่อนฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็จะได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมคุณด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโย สุขีทีคายุโกภวะอภีวาธนาชิริชนิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวันตอิอายุวันโนสุขัง